พระธรรมเทศนาแผ่นที่ถึงร้อยสีลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17ทธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่ายุแยงสามมคีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17ทธันวาคมพุทธศักราช2559 หลวงพ่อออกไปข้างนอกหนึ่งคืนนั้นลูกหลานออกไปตั้งแต่วันที่สิบห้าเพราะว่าวันที่สิบสี่ธันวาคมหลวงปู่จันศีจันททิโปพระอุรมยานโมลีอดีตเจ้าคณะภาคที่ท่านอยู่วัดโพธิสมพร ท่านมรณาภาพอายุร้อยห้าปีสองเดือนสิบสี่วันมาหลวงพ่อจะไม่ผิดนะจะร้อยห้าปีกว่าท่านมรณาภาพเมื่อวันที่สิบสี่สองทุ่มเป็นวันพระขึ้นนะขึ้นสิบห้าคำเดือนหนึ่ง ท่านมารณะภาพวันพระเป็นวันอุโบสถวันนั้นวันวันที่สิบสี่เนะี่พอวันที่สิบห้าลวงพ่อก็เด้ออกไปไปคิดว่าวันที่สิบหกจะมีการคละวะพอไปถึงนู่นก็ประมาณชักเขาเคลื่อนสรีระของท่านจากโรงพยาบาลจุลามาถึงอุดรก็ประมาณทักบ่ายสามสี่โมงเย็นพอมีฉลามนำ ก็เร็วบ้างแต่ก็มาถึงแล้วก็ามาทำพิธีพอมาถึงวัดทันหนีออกจากวัดนานพอมาถึงแล้วก็ทันพุ่มดอกไม้ขึ้นไปคารวะพระพุทธ ร, รูปอยู่ที่โบสถ์แล้วก็กราบคารวะเจ้าคุณธรรมเจดีที่เป็นเจ้ า, าวาดองค์แรกของวัดโพธิสมภรณ์ จากนั้นก็ได้นำพุ่มดอกไม้ไปถวายที่พระเจดีที่หลวงปู่สร้างไว้ส่งตัวแทนขึ้นไปหลวงพ่อเป็นตัวแทนนําพุ่มดอกไม้ไปคารวะเจ้าคุณธรรมเจดีแต่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาค9้าท่านนำพุ่มดอกไม้ไปคาวะพระประธานเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้นําพุ่มดอกไม้ไปถวายพระเจดี หลัจากนั้นเขาขึ้นสล า, าแล้วก็พอเสร็จสล า, าเสร็จแล้วก็กราบคารวะทำวัดทำวัดคารวะได้ประมาทภาพพัาดพังหลวงปู่ด้วยกายวาจาหลวงปูป่โปรดโอโหสิกรรมให้กับพวกลูกหลานทั้งหลายด้วยแต่ทีนี้ก็พอถึงที่แรกทุงพอ่อคคิดว่าท่านจะทำวัดคารวะพร้อมกันวัน วันที่สิบหกเช้านะจัดยังหันเสร็จคารวะแต่ที่ไหนท่นานคารวะก่อนเพราะว่าท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสกลนครออคอนแกน่นแถบนี้มาหมดท่านก็เกลยคารวะแต่เมื่อวาน้กัน้ำอาบศพน้าอาบศพลงปูมาจากน้ำพระราัทานจากกรุงเทพ แต่มาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าก็รอท่านเจ้าคุณพรมเจ้าคุณพรมที่เป็นเลขาธรรมยุทธ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่ในธรรมยุทธ์ในนั่นลองจากสมเด็จท่านมาเป็นประธานแต่สมเด็จมีแต่ผู้สูงสูงวัยท่านไม่ได้มาท่านให้มา คณะคณะกรรมการมหาเถรมาหลายองค์เมื่อวานพาผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพท่านรงพ่อก็ได้ร่วมจากนั้นก็ได้กราบคารวะศพเป็นครั้งที่สองพอกราบคารวะศพแล้วก็เอาศพจารีละของหลวงปู่เข้าเหีบทองเมื่อวานเนี่ย เอาข้อหีบทองเมื่อวานนะเสร็จแล้วก็ได้แยกย้ายกันกลับเมื่วัดแต่เมื่อวานน้งพอทําหน้าที่สองอย่างนะพอฉันจะเหตนสันเหตุใกล้เที่ยงไปนูน่นไปอำเภอหนองจังหวัดหนองบัวลําพูนนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสล า, ากลางเคยขึ้นไปสล า, ากลางเมื่อวานนะไปเกี่ยวกับทางฝ่ายพระ แล้วก็าหารป่าไม้ไปหาลรือกันเกี่ยวกับวัดที่อยู่ในป่าจะทำยังไงเพราะว่าป่าวัดสร้างมาหลายปีมาสร้างมาเป็นสิบยี่สิปีแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายทำลายป่าน่าจะยืดหยุ่นหา ก, กันได้ลักษณะอย่างนั้นแหะปูดเมื่อยก็ไม่มีอะไรลูกหลานทางทุกคนก็ ทำตามหน้าที่แต่ทึงยังไงก็ตามโพดูอยู่ในหน้า ง, งานก็ต้องมองดูอันไหนเป็นอันไหนถูกต้องเป็นธํายังไงแต่หลวงพ่อไปพูดเมื่อวานเนี่ยก็ไปฟังฟังดูแล้วลูกหลานมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันฉันสหรักพูดเป็นประธานเป็นผู้คนพูดแต่ท่านก็หมายมั่นปันมือว่าจะทาให เป็นวัดวาศาสนาเป็นวัดขึ้นมาได้มันถูกต้องตามกฎหมายซะเนเนมื่อวานนี้อาจาั้นลูกพ่อได้กลับมาวัดโพธิสมพรณะแต่ละลูกหลานที่หลวงพ่อออกไปแต่ละวันก็ไปทำธุระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะเนีอยหลวงพ่อนี่ <c oughs> ถ้าจะว่าไปเลยเกลียดที่สุดคนทะเลาะกัน คนไม่เข้าใจกันคนทะเลาะกันชนกลุ่มชนชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้าทะเลาะกันในหลวงพ่อมันดูแล้วมันยังไงใช้ทิตฐิมณนะเข้าหากันเกินไปผิดถูกไม่รู้เหรอถ้ามันผิดก็มากแก้ไขสหาหนาก็หากันมันผิดเราจะไปส่งเสริมทำไมส่งเสริมคนผิดนะแต่มั น, ม, นมันผิดนิดหน่อย เราก็ต้องทำความเข้าใจกันเพราะต่างคนต่างได้เรียนไดศ้ศึกษามาด้วยกันทุกคน เ, เกือบจะว่าแบบอกหลวงปู่จ่าเาไม้เคาะหัวภพหมากพันเขเคาะหัวปอกๆให้เปินศิลิมงคลใช่ไหลวงพ่อวันเนี่ยถ้าเคาะหัวคนคู่ใดก็ตามทุกวัเนเียโดยมากปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเกือบทั้งนั้น อย่างน้อยกับปศปวชปวสทั้งหมด อ, อย่างน้อยกับมหกสรุปแล้วก็คือชั้นปัญญาชนเกือบทั้งหมดแต่ทำไมบางเรื่องบางราวมันทะเลาะกันจนหัวล้างข้างแตกดันทุลังแต่ตามไม่จริงมันก็ผิดถูกคนรู้อยู่ไปส่งเสริมทำไมส่งเสริมคนผิดมันผิด ก็ออกมาพูดมาตกลงกันซะให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าคนกลุ่มใดเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ผิดก็ไม่ยอมผิดมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะอยู่ในประเทศชาติไม่ได้ต่อไปมันก็จะจับกลุ่มกันขึ้นมาอีกก็เสียหายอีกเหมือนกันนะั่นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลวงพ่อนี่บอกว่าคนทะเลาะวิวาทกันแต่แกกสั้งัคคีกันเนี่ย หลวงพ่อเนี่ยไม่เห็นด้วยสรุปแล้วเป็นมนุษย์แท้ๆน่ไปทำไมไปหามเอาในสัยสัตว์สาราเสียงหมาไปอยู่ที่ไหนกันหญิงเขี่ยวเอกันมันก็ไม่น่าจะถูกมีอะไรพวกเราได้รับการศึกษาดีกับพวกคนแล้วก็านาจะมาพูดกันอั น, นี้ผิดหรู้ไม่ผิดถูกหรือไม่ถูก กฎหมายกฎกติกาเขาว่ายอย่างไงเ็ว่าตามกฎกติกาแต่มันเกินไปนะควรควรจะยืดยว่นมันเกินไปซะแล้วชุดนี้พอเขาทำผิดไม่มีเจตนาก็จดยืดยืดดุ่นกันลงมาเขาหากันนั่นแหละสรุปแล้วก็คือพี่ได้สองน้องได้หนึ่งการอยู่ด้วยกันเ็รรมเย็นผาสุขพอไม่ถึงร้อยปีลนระต่างคนต่างตาย ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งแต่บางเสียงบางอย่างกอย่างที่ในหลวงท่านตรัสกไว้นะคนทะเลาะกันไม่กี่คนแต่ผู้แพ้คือประเทศชาติเศรษฐกิจบ้านเมืองย่ำแย่เพราะเหตุไรเพราะคนในชาติทะเลาะกันไม่มีความปลองดองไม่มีความสามัคคีกันก็ไม่น่าจะถูกมันแพ้คือประเทศชาติแพ้ ไม่มีใครแพ้ใครชนะไอ้สองคนไม่มีใครรู้ตายไปแล้วก็จบแต่เศษรษฐกิจบ้านเมืองเนะี่ยย่ำแย่กันไปทุกหัวและแหง่งไสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะไม่ควรจะมีมควรจะควรจะคิดถึงส่วนกลางด้วยจะทำอะไรต้องคิดถึงส่วนกลางนะเพราะนั้นอะไรลุงพ่อเนี่ยสรุปแล้วก็คือไม่ชอบไม่ชอบการทะเลาะวิวาท ชอบเอาหลักเหตุผลมาพูดคุยกันมนุษย์อยู่ด้วยกันมนุษย์เป็นผู้มีปัญญามีสติมีปัญญาแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกมันรู้เหรอผิดรู้ไหมถดผิดถูกเราไม่ถูกควรรู้ไหมควร ไ, ม, วรรไม่ควรรู้ไหมก็น่าจะฟิเค์ออกมาควรหรือไม่ควรผิดหรือถูก นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันนะพี่น้องสัตธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอหนารหน้าก็หากันมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและก็พร้อมเพียงกันทำกิจที่ตกลงกันไว้แล้วนั้นตกลงกันว่ายังไงก็ทำปฏิบัติตามนั้นนี่แหละอันนี้หลักธรรมคำสอนของพุทธะนั่นแล้ว อภริหารนิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรื่องอปริหานิยธรรมมีเจ็ดอย่างนี่แหละถ้าตามไม่จริงบางคนก็หาเรื่องจริงๆนะหาเรื่องนะเพราะว่าเขามีความพร้อมเพียงสมามัคคีกันนะหาเรื่องอยุแยงให้มันแตกกันมันก็มีอีกเหมือนกันนะโลกอันใบเนี่ยเพราะนั้นไม่น่าจะมาเกิดไม่น่ามาเกิดจะดีที่สุด หลวงพ่อว่านะชำระกิเลสหมดกิเลสให้มันจบจบไปถ้าว่าเราจะมาเกิดโอ้ตายอย่างในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในโค้งสุดท้ายท่านก็ป่งอายุสังขารบอกว่าอานุนอีกสามอีกนี้ไปอีกสามเดือนแล้วตถาคตจะปรินิพานนะนะ ท่านหวังปรงอายุสังขารเดือนสามเพนใช่ไหมแล้วก็ด้านเดือนหเพนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานคือตายง่ายๆเราจะตายแล้วนะเดือนหกเพนแต่ที่ท่านก่อประกาศปรงอายุสังขารพระนนก็้เสียอกเสียใจพระนรสงกร้องโห่งร้องไห้บวมลมตุ้มตุ้มบวมล ม, ม, ม, มไปที่ไหนทลพราะอีกสามเดือนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วนะ พระองค์ตรัสคําไหนต้องคํานั้นไม่มีหนึ่งไม่มีสองนะดังที่ท่านก็พูดแสดงทําได้แนะต่ท่านก็บอกเราพยาบาลรับนิมนต์เราแล้วเราจะได้รับนิพ ย, นพยามาลนิมนต์พยาบาลนิมนต์เราจะรับครับแล้วนะเราจะต้องบริญีพานแล้วนะท่านก็เดินโปรดพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเวไนยสัตวแ์แถบนั้นนะท่น แต่นี้ไอ้วัชการพราหมณ์เป็นพราหมณ์ของพระเจ้าอสาตรัตรูเนี่เป็นโปรโลหิตใหญ่เอออยากในใจคือว่าแต่จะจะแกงแย่งประเทศอื่นมาเป็นประเทศของตนเองเออแต่นี้ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าทำไมเมืองภัยสาลีเวสาลีเนี่ย เขาจึงแน่นหนามัน่นคงถึงขนาดนี้ เ, เขาตี อ, อะไรก็ไม่แตก เ, เขามีเขามีทำอะไรเขามีเรื่องอะไรทำไมเขาจึงปกคลองได้เหนียวแน่นดีพระพุทธองค์บอกว่าอาโดนเดี๋ยวนี้ เ, เวสาลีอยู่ในอัปปะรหารที่จะทำเจ็ดอย่างอยู่ใช่ไหม พาโนนกราบทูลเขายัางเหนียวแน่นในอป ร, ริหายอปริหาได้จะทำเจ็ดอย่างนะพระเจ้าข่านคือหมั่นประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกเนะพร้อมกันทำกิจที่สงฆ์จะพึ่งทำยินดีในความสงบ พ, พิกิุรไดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์เคารพนับถือเชืออ่อถือถอยคำขวงท่านไม่ลุกอํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบ ตั้งใจยว่าเพื่อนภิกษุสัมเนนที่มาสู่อาวาสแล้วขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นฉุกเป็นฉุกนะ อ, อันนี้คือท่านประยุกต์เอามาใช้ในพระภิกษุสงฆ์นะแต่สําหรับคฆราวาสท่านก็เอาไปยุกประยุกต์ไปใช้เป็นฆราวาสเมื่อฆราวาสท่านผู้ใดก็ตามมาสู่อาวาสแล้วมาสู่บ้านของเราเมือของเราแล้วขอให้มาถ้ายัางไม่เคยมานะถ้ามาแล้วก็ขอให้กลับไปแล้วขอให้อยู่เป็นฉุกเป็นฉุก พระหาบดีทั้งหลายถ้าต่อไปอยากจะมาก็ขอเชิญเข้ามาอีกมาเยีย่ยมเยียนพวกข้าพเจ้ามาโดยเป็นธรรมรักษาอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็ัาชการผามไดะยินเราควรจะยุแยงให้เขาแตกกันนะพรานี้สูก็เลยมายุแยงให้เขาแตกกันจริงๆพอแตกแล้วเจ็ดแล้วก็ยกทับมาตีเลย นาตีเขากรจุยจริงๆนะเพราะว่าคนในชาติแตกความแตกสมัคคีกันนี่แหละความแตกสมัคคีกันในหมู่ในคณะไม่ใช่ผลดีนะลูกหลานทุกคนนะแตกสมัคคีในญาติพี่น้องก็ไม่ดีแตกสมัคคีในวัดวาศาสนาก็ไม่ดีแตกสมัคคีในสงฆ์ก็ไม่ดีแตกสมัคคีในคณะสัตยาญาติโยมกับพระสงฆ์ก็ไม่ดีแต่ว่า สิ่งที่มันผิดเนี่ย ourd. เราจะว่ามันถูกไม่ได้พวกเราชั้นปัญญาชนอันไหนมันผิดก็ต้องรู้ว่ามันผิดนะเราจะไปดูแลรักษาปกป้องคนผิดได้ยังไงเพราะเมื่อมันผิดนะเอะถ้าว่ามันถูกเนะอเราจะว่ามันผิดได้ยังไงเมื่อมันถูกนะเนี่ย น, นี่แหละให้พวกเราแยกอย่าให้ออกอย่าไปเห็นแก่พักอย่าไปเห็นแก่พวกอย่าไปเห็นแก่ ถ้าเป็นพวกเราก็จริงอยู่แต่มันผิดนะจะทำยังไงบางโกรมก็อบอบอบุ้มไว้รักษาไว้แต่ใช่รักษาไว้ก็ควรจะรักษาแต่มันเกินไปแล้วมันก็ควรจะตัดทิ้งเหมือนกับเราเป็นมะเร็งในตีนของเราเนอะ่อในขาของเรานะเราลักไหมเราลักขาไหมเราก็ลักนะักขาใครจะไม่รักขาตัวเองใช่ไหมเออผมเมันขาตัวเองเกิดมาจากท้อง แม่แก้อนมันก็ใช้อยู่ตลอดจะไปเดินขาเดียวได้ยังไงก้ก็รักขาแต่เป็นมะเร็งอะไรตัวนี้ถ้าเป็นมะเร็งจะทำยังไงทาให้ตัดจะตายไม่ได้จะตัดขาทิ้งยอมตัดขาทิ้งเราจะตายถึงจะรักขนาดไหนมันก็ต้องตัดขาทิ้งใช่ไหมตรงตัดขานะเพราะว่ารักษา ย, ยังชีวิตยังจะมีประโยชน์อยูนะ่ก็จำเป็นก็ต้องตัดขานะ เสียดายไม่ขาตัวเองไม่เสียดายจะยังไงขาตัวเองเลยนี่ก็เหมือนกันนะจะเป็นญาติพี่น้องญาติโกโหติกาใครก็ตามถ้าทําผิดแล้วจะทํำยังไงพราะมันผิดแต่ถึงจะรักขนาดไหนมันก็ทํำยังไงละ่ะมันเสียหายเสียหายประเทศชาติเสียหายวงศ์ส า, ขายขณาญาติ่อย่างพวกญาติพี่น้องของเราลูกหลานของเราพอมันไปกินยาบ้าใช่ไหมมันเมาอารวาส จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องแล้วจะทำยังไงเออพ่อแม่พี่น้องก็ลำก่ำแบบรักมันไหมก็นรักมันอยู่มันเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาระฆาญ า, าติแต่เราจะทำยังไงเออจําเป็นก็ต้องเอาไปบําบัดเอาไปขังไว้ก่อนเออทั้งที่ขายหน้าไหมก็ขายหน้านแล้วมันเหมือนญาติพี่น้องของเราเย อแต่ทํายังไงถ้าเอาไว้มันก็เป็นอันตรายต่อพี่ต่อน้องต่อ ว, วงสาคัาญาตินะนี่ก็เหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อว่านะอถ้าเราไปปกป้องญาติพี่น้องของข อ, งของก็ใช่บางทีมันญาติพี่น้องของข อ, งของมันเมายาบ้ายามาไปทําลายคนอื่นก็ได้อันตรายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาเข้าทางกฎหมายซะเออ ให้ถูกตามกฎกติกาของบ้านเมืองะดีที่สุดหลวงพ่อว่านะอะไรหลวงพ่อพูดแบบพระป่าพระดงนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะในพระในวัดของหลวงพ่อเหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยความพร้อมเพียงสมคกีนะพระลูกพระหลานทุกองค์นะเจตนาดีนะถ้าว่าทําไม่ดีไม่ได้ผิดหลักพระธรรมวินัยไม่ได้ทําวินัยนี่คือเป็นหัวใจของ พระพุทธศาสนาไม่ใช่ทําวินัยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของหลวงปูอินนะทําวินัยไม่ใช่หลวงปวูอินนะเป็นของพระพุทธเจ้านะเป็นของกลางนะแต่เป็นหลวงปู่อินเป็นผู้รักษารักษาทำวินัยถ้าพวกเราไม่รักษาทำวินัย อ, อพวกเราทําปู่ยี่ปู่ย่ำเสียหายไปหมดพระทําวินัยก็เสียหายไปหมดในเมื่อเสียหายไปแล้วเราจะลื้อฟื้นคืนมาน่ยมันไม่ได้เลยท่นเอง เมื่อมันเสียไปแล้วพุทธศาสนาก็เลยหมดหมดเพราะอะไรหมดเพราะน้ำมือของพวกเราเป็นผู้ทำลายทำร้ายทำรายพระพุทธศาสนาให้ผปลปีย่อยยับไปในช่วงที่เราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโบราณการท่านรักษามาแล้วต้องนมนานถึง 2,559 ปีจะมามาถึงยุคเราแล้วจะมาทำร้ายทำรายให้เสียหาย ผล ป, ปีไปก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะพวกนั้นพวกเราต้องคิดดูจังห ม, มันผิดไหมถูกไหมเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมถ้ามันไม่เป็นธรรมเราก็ต้องกระจัดออกต้องจัดการออกต้องะจัดออกให้มันเป็นธรรมให้มันถูกต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฟัไว้นนะปาลูปาหลานศรัทธาญา จ, จมูมทั้งหลาย เอาหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับงานจริระของหลวงปู่ใหญ่ที่เป็นลมโพร่มใสของเมืองอุดรที่ท่านได้จากไปหลวงพ่อก็ได้พูดถึงเกี่ยวความถึงความพร้อมเพียงสามัคคีของสงฆ์ความพร้อมเพียงสามัคคีคนในชาติของความพร้อมเพียงการอยู่ด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันนั่นดีที่สุด ท้าว่าแตกแยกสามัคคีกันหลวงพ่อเนี่ยเกลียดเกลียดชังความพร้อมเนี่ยที่แตกแยกสามัคคีกันนะหลวงพ่อน่ยไม่เห็นด้วยนะลูกหลานน ะ, ะถ้าว่าผิดถูกรู้ไหมผิดถูดกพวกเราก็นอาจะรู้น ะ, ะถ้ า, ไ ม, าไม่รู้จากผิดไม่รู้จากถูกก็ไม่รู้จะทํายังไงอีกเหมือนกั น, นอันรับพรนะ่นี้นะประสงค์อนุโมทนาให้พร